มาวัดก็ดีนะได้ฟังธรรมเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ไป่ถูกเดือนไปวัดครั้งหนึ่งกราบหลวงพ่อพุธช่วงหลวงปุดูลยังอยู่เนี่ะสามเดือนไปสุรินทร์ครั้งหนึ่งขากลับกรุงเทพมาแยหาหลวงพ่อพุธด้วย ก็ทุกเดือนไปกราบหลวงพ่อพุธฟังท่านจนจำได้ท่านพูดประโยคนี้แล้วเดี๋ยวต่อประโยคนี้อนะไจําได้เหมือนที่พวกเราจําที่หลวงพ่อเทศไ ด, นะได้นะจําได้นะแต่ว่าความรู้ความเข้าใจมันไม่เหมือนกันไม่คงที่เมื่อก่อนเข้าหาครูบาอาจารย์อื่นท่านจะสอนเรื่องจิตเรื่องอะไร ไปหาหลงพ่อพุทธท่านจะสอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเนีย ก, กรรมฐานตอนนั้นก็รู้สึกว่าท่านสอนอะไรบอกให้มีสติไปยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีสติไปนึกไม่ออกว่าท่านหมายถึงอะไร ภาวนาไปเรื่อยๆก็เข้าใจนะที่ท่านสอนน่ะสำคัญมากท่านสอนเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจำวันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดเป็นกิจกรรมของใครของร่างกายคิดเป็นกิจกรรมของใจ ยิ่งถ้ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดตัวพูดนี่มันคล่อมกันนะใจมันพูดก่อนทำไพูดออกมาทางปากแต่ยืนเดินนั่งนอนมันก็มาจากใจอีกแล้วแหละนะใจมันสั่งให้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูด งั้นพลเมีสติร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดร่างกายเคลื่อนไหวเรามีสติรู้เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวได้เพราะใจมันสั่งกายกับใจมันสัมพันธ์กันส่วนตัวคิดเป็นงานทางใจล้วนๆนแต่ความคิดบางทีก็เกิดมาจาก ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์ภายนอกนะแล้วใจก็คิดต่ออย่างนี้ก็มีบางทีอยู่ๆใจก็คิดขึ้นเองก็มีไม่ต้องผ่านการกระทบทางทวารทั้งห้าเริ่มขึ้นทางทวารใจโดยตรงก็มี ค, ค่อยๆภาวนานะว่าที่ท่านสอนนี่มันครอบคลุมธรรมะเยอะแยะไปหมดไม่มีสติ รู้ทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมา ท, ท่านว่าตรงนี้สำคัญก็สำคัญจริงๆแต่ตอนนั้นเราไม่ค่อยเข้าใจฝั่งแรกๆรกู้สึกธรรมดาหลกปูมั่นนะท่านสอนทำสมาธิมากเนินช้า คิดพิจารณามากฟุ้งซ่านสิ่งสำคัญของการปฏิบัติก็คือการมีสติในชีวิตประจำวัน mm hmm. ท่านสอนทำสมาธิมากเนิ่นช้าติดความสงบติดความสุขอยู่เลนะเนิ่นช้านะไม่ได้ชาปีสองปีอาจจะช้าถึงแปดหมื่นกับก็ได้นะทำสมาธิแล้วไปอยู่พรหมโลกเป็นอรูปรพรหม อยู่ยาวมากาะไม่มีร่างกายที่จะแก่จะเจ็บจะตายมีแต่จิตยันทำสมาธิมากเนิ่นช้าตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆ้ว ม, นะมีคุณยายท่านหนึ่งลูกศิษย์หลวงพุ่เทศนีนะ้ท่านไปหาที่สวนโพท่าบอกท่านฟังฟังเทพอยู่นั้นไม่มีสีดีนะ ม, มีแต่เทพ ฟังเทพท่านอาจารย์เรารู้ว่าตัวเองติดสมาธิขอให้ท่านอาจารย์แก้ให้ติดสมาธิมาหกสิบกว่าปีนั่งสมาธิปุ๊บร่างกายหายไปเลยโลกระแทดับเหลือแต่จิต ด, ดวงเดียวแล้วปฏิบัติทีไรก็อยู่ตรงนี้ตลอดอยูตั้งหกสิบกว่าปี หลวงพ่อดูแล้วแก้ไม่ทันคนที่ติดสมาธินานๆเนี่ยพอหลุดออกจากสมาธิจะฟุ้งสุดขีดถ้าติดมาหกสิบปีเไม่รู้จะฟุ้งแรงแค่ไหนอายุเราแปดสิบเจ็ดแล้วมั้งตอนนั้นเวลาที่จะอยู่ภาวนาเนี่ยสั้นนิดเดียวถ้าฟุ้งสัานขึ้นมานะแก้ไม่ทันเนีย จะไปอาบายหลวงพ่อก็บอกคุณใหญ่ว่าคุณใยายปรับกรรมฐ า, านนิดเดียวแหละอย่าให้กายหายไปให้มันมีร่างกายไว้ทําความสงบลงไปรวมลงไปอย่าให้รวมลึกถึงร่างกายหายให้เหลือกายไว้แล้วต่อไป พอตายลงนะีจะไปเป็นพรหมที่มีรูปเรียกว่ารูปประพรหมมีร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายใจยมีครบหกมันแล้วคอยดูไว้ถ้าได้ยินว่าพระเมตไตรมาตรสรู้นะรีบมาเรียนค่อยไปจัดการตอนนั้นคืนแก้ตอนนี้แล้วก็ใจฟุ้งซ่านปรับ ให้เข้าที่ไม่ทันนะไปอาบายเลยเงนนบางทีถ้าติดสมาธินานๆนานเนี่ยเสียเวลามากอย่างนี้ต้องเสียเวลาอย่างน้อยพุทธันดอน่ช่วงที่รอพเมตไตรเสียเวลาแล้วถ้าคุณยหญ่นี้ท่านเข้าสมาธิถึงอรูปนะอยู่เป็นหมื่นๆกับนะอายุยืนมากเลย พระพุทธเจ้ามาตัดสรู้อีกสิบองค์ยังไม่รู้เรื่องเลยสัมผัสออกมาไม่ได้กานพวกเราภาวนานะอย่าให้กายหายไปหายช่วครั้งช่วคราวไม่เป็นไรไปหายยืนชินนั่งสมาธิพุ๊บไม่มีร่างกายเลยอันตรายมากเลยแล้วพวกพรหมนะเคยอ่านหนะังสือเจอหลวงพ่อไม่ได้รู้ด้วยตัวเอง ว่าเวลาพรมซึ่งทรงฌานตายลงมาเนี่ยบางทีไปอาบาัยได้คล้ายๆสงบมา น, นานพอจิตเคลื่อนออกมาจากความสงบก็ฟุ้งเต็มที่เลย mm hmm. นั้นหลวงปู่ ม, มั่นท่านถึงบอกว่าทำสมาธิมากเนิ่นช้าทีทำพุโทโธพุทโธแล้วจิตสงบสบายแล้วก็ไม่ยอมไปต่อละหยุดอยู่แค่นั้น ท่านตีเข้าเป็นวิชาสมาธิหมดเลยไม่เดินปัญญาการเดินปัญญาในเบื้องต้นนะสำหรับคนที่ส่งสมาธิอยู่ต้องช่วยคิดพิจรารณาจิตมันสงบมันนิ่งมันไม่ยอมเดินปัญญากระตุ้นให้มันเดินปัญญาด้วยการคิดพิจรารณาเอาจะพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลสุภาะนะ เป็นธาตุเป็นขันธ์หรือเป็นไตรลักษณ์อะไรก็เอาคิดไปก่อนนี่พวกที่เลียนมากๆเขาก็บอกว่าคิดพิจารณาปฏิกูลสุภาพเป็นสมถะก็ใช่เป็นสมถะแต่ว่าท่านต้องการแก้ไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉยใช้การคิดพิจารณาเป็นสมถะก็จริงแต่ทำให้จิตมันเคลื่อนไหวได้ ท่านต้องการแก้ตรงนี้ไม่ได้ไปโจมตีว่าท่านสอนผิดนะบางคนเปลียนตํารามากไปดูถูกครูบาอาจารย์ซึ่งไม่ควรจะดูถูกอันตรายที่สุดเลยสอนให้คิดเรื่องธาตุเรื่องขันไม่เป็นวิปัสสนาก็ถูกของเธอแต่วัตถุประสงค์ที่ท่านให้พิจารณาตรงนี้หรือให้คิดเรื่องไตรลักษณ์ยังไม่เป็นวิปัสสนาท่านต้องการให้จิตเป็นทํางาน ไม่ได้ให้อยู่นิ่ ง, งๆเฉยๆซึ้บืออยู่เฉย ๆ, ๆนี่พะจิตมันเคลื่อนไหวได้แล้วนะมันเคยมองขันห้ายตนะหกธาตุสิบแปด้วเคยมองว่ามันเป็นไตรลักพอมันชำนาญในการมองแล้วนะต่อไปมันมองเองใจทรงสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะ สติระลึกรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนะจิตมันจะมองทั้งรูปประธรรมนามรธรรมทั้งหลายนะจิตมันจะมองเองในมุมของไตรลักษณ์ตรงนั้นนะขึ้นวิปัสสนาบางทีไม่เข้าใจที่ครูบาอาจารย์สอนก็เป็นปรามาสท่านไม่ดีเลยอันตรายที่สุดเลย เรื่ท่านบอกว่าทำสมาธิมากเนินช้าเพราะไม่เดินปัญญาเนี่ยจุดประสงค์ที่ท่านบอกชีดพิจารณามากฟุ้งซ่านเคยติดสมาธิแล้วมาพิจรนารณาเสร็จแล้วกลับไปดูถูกสมาธิถ้าเดินปัญญาได้แล้วไม่เอาสมาธิละถึงจุดหนึ่งเนี่ยใจมันจะฟุ้งซ่าน ไม่มีกำลังไม่ตั้งมั่นที่จะเป็นผู้รู้ผู้ดูตัวนี้หลวงพ่อเคยเป็นทำสมาธิอยู่2ีอปีมาเจอหลวงปู่ดูลดูจิตมันทำงานเจริญปัญญาได้แล้วดูถูกการทำสมาธิไม่เอาละเสียเวลาไม่มีประโยชน์ สมาธิที่ฝึกอยู่22ปีใช้ทำวิปัสนาอยู่ได้แค่สองปีนะสมาธิไม่พอสมาธิไม่พอนะจิตจะไหลออกไปเคลื่อนออกไปเป็นวิปัสนาได้วนะิปัสนามีได้ทุกขั้นทุกตอนนะพุทธชนเป็นโสดาก็ต้องผ่านวิปัสนา พระนาคาจะขึ้นพระรหันต์เนี่ยก็ต้องผ่านวิปัสสนูไปอีกแต่ท่านไม่เรียกวิปัสสนูวิปัสสนูปักิเลสเนี่ยเป็นคำที่ยกย่องให้ใช้เฉพาะกับบุถุช น, นถ้าเป็นพระญาบุคคลแล้วสิ่งเดียวกันนั่นแหละท่านเรียกชื่อสมัยให้ไพเราะเรียกว่าธรรมมุทัจจักรมะมอุทจัจจ ความฟุ้งซ่านในธรรมสิบประการก็คื อ, คอตัววิบปัสนูสิบอย่างนั่นแหละวิธีแก้ก็คือทำสมาธิให้ถูกจิตตั้งมั่นสว่างสวยัยรู้ตื่นเบิกบานก็จะพ้นจากมิจฉาสมาธินะพ้นจากความไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิยังดีกว่ามีมิจฉาสมาธินะมิจฉาสมาธิเป็นโทษ ไม่มีสมาธิไม่มีคุณเพนคิดพิจนามากฟุ้งซ่านเวลาเราพิจนาธรรมะไปเนี่ยมันใช้พลังงานจิตะต้องใช้พลังงานใช้ไปเรื่อยๆจิตใจฟุ้งซ่านต้องกลับมาทำความสงบใหม่พอจิตใจสงบแล้วก็ออกพิจนา หรือถ้าเราชำนาญในการทำวิปั ส, สนาแล้วไม่ต้องไปคิดพิจารณาออกจากความสงบเนี่ยจิตจะทำวิปั ส, สนาเองเลยเดินเองนี่ในรูปแบบเราก็ทำสมาธิไปนะแล้วก็จิตมีแรงแล้วก็พิณาพิณากายก็ได้พิณาจิตก็ได้ให้มันทางานจนกระทั่งจิตมันคล่องตัวในการดูไตรลักษ มันสามารถดูไตรลักษณ์ได้ด้วยตัวเองสติะระลึกรู้กายปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของกายสติะระลึกรู้จิตปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของจิตเนะนี้ยจิตเดินวิปัสนาทำไปเรื่อยๆช่วงไหนควรทำสมถะก็ทาสมถะช่วงไหนควรเจริญวิปัสนาก็เจริญวิปัสนาจะต้องรู้ด้วยตัวเองนะว่าตอนไหนควรทำอะไร พระพุทธเจ้ท่านถึงบอกว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสนาะเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งต้องฉลาดนะควรทําสมถะก็ทําสมถะควรทําวิปัสนาก็ทําวิปัสนาเราจะใช้กรรมฐานอะไรในการทําสมถะใช้กรรมฐานอะไรในการทําวิปัสนาก็ต้องฉลาดนะรู้จักเลือกเฟ้น ธรรมะที่เหมาะกับเราประโยคสุดท้ายที่ท่านบอกก็คือการมีสติในชีวิตประจาวันนะทีนี้สำคัญที่สุดแต่ละวันเราทำในรูปแบบจะสักกี่ชั่วโมงกันชีวิตส่วนใหญ่อยู่ข้างนอกนี้เจริญสติในชีวิตประจาวันก็คือ มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทำงานให้มันทำไปแล้วจิตใจเราเป็นไงมีสติรู้ทันไปหรือร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพดูดเราก็รู้ใจมันชะิดเราก็รู้เนื้อรู้กายรู้ใจแล้วถ้ารู้ชำนาญ น, นั้นไปลงมาที่ใจอันเดียวนะตาเห็นรูปใจกระเพิ่มแล้วก็รู้ทันหูได้ยินเสียงใจกระเพิ่มขึ้น ม, มาแล้วก็รู้ทัน S <S an> <S an> <S ใจมันคิดนะจิตมันกระเพื่อมขึ้นมาเราก็รู้ทั น, นคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่เองเรียนรู้อยู่ที่จิตที่เดียวนี้แหละเวลาเข้าใจแล้วจะเข้าใจทั้งหมดเข้าใจเรียนจิตเข้าใจตัวเดียวนีจะเข้าใจขันห้าทั้งหมดเข้าใจอรยตนะหกทั้งหมดเข้าใจธาตุสิบแปดทั้งหมดเข้าใจอินสี่ยี่สิบสองทั้งหมดเข้าใจหมด เข้าใจรูปนามคือโลกก็เ ข, เข้าใจโลกทั้งหมดเข้าใจจิตดวงเดียวก็เข้าใจโลกทั้งโลกนะมันอจจัศจรรย์นะโลกทั้งโลกมันเป็นยังไงสิ่งที่เป็นโลกก็คือรูปธรรมกับ น, นมามธรรมเท่านั้นถ้าเราเข้าใจจิตตนเองแล้วนะโลกมันก็ทำให้ใจเรากระเทือนไม่ได้ใจมันอยู่เหนือโลกเรียกว่าโล ก, กุตตะะอยู่เหนือโลกขึ้นมา ค่อยๆฝึกวันหนึ่งก็เจอถ้าไม่ท้อถอยสักก่อนนะเรียนให้ดีรู้หลักแล้วก็ทำไปส่งกันบ้านไปพวกอยู่วัดนานทีปีหนจะได้มาค่ะนวัศสการข์ขางพ่อค่ะตอนนี้กลางอกมันเพิ่มแรงมากเลยค่ะกิเลสแรงมันก็เพิ่มแรง กิเลสเบามันก็กระเพิ่มเบานะสังเกตไปเรืยๆดีแล้วเราเห็นได้ที่กลาง อ, อกกระเพิ่มจิตเราไม่ไหลลงไปจมอยู่ใช้ได้อนี้เรียกจิตตั้งมัน่นจิตอยู่ต่างหากเป็นคนดูนะแลต่อไปสิ่งที่จะเห็นคือทุกุ้รู้สึกไหมมีแต่ทุกข์รู้สึกรู้สึกทุกข์กันเหนื่อยเหนื่อยเลค่ะเหนื่อยพอเหนื่อยนะพอทุกข์แล้วเหนื่อยมากๆนะทาสมถะ ไม่มีที่ทักกัอื่นเลยมีแต่สมถะกรรมฐานเมื่อเราเดินวิปัสสนาไปถึงขั้นละเอียดเนี่ยเหลือแต่ความไหวยิบยับยิบ ย, บ, ย, บ, ยบอยู่กลางอกเนี่ยถ้าเดินตัญญาถึงขั้นละเอียดแล้วมันจะมาถึงตรงนี้หมุนอยู่กลางอกเนี่ยยิบยับยิบยั บ, ยบมันจะเห็นแต่ทุกข์ที่พักมีที่เดียวคือการทำสมถะไม่มีที่อื่น ไปล้องลําทำเพลงเลยก็ไม่หายเราไปทำสมาธามาจิตสงบรวมแล้วพอจิตถอนออกจากสมาธิแนละ้ตัวนี้ก็ยังไหวอยู่แต่จิตนี่เป็นกลางนะไม่จมลงไปในความทุกข์ไปฝึกไปค่ะหนูใช้สวดมนต์ค่ะพอไม่ไหวแล้วสวดมนต์รู้สึกเขาเบานิดเพราะยุดสวดขึ้นมาอีกค่ะเออสดแสดงว่ายังไม่พอสมาธิหลวงพ่อก็คือเป็น ไปถามหลวงพ่อพุธนะท่านนั่งแก้ให้เป็นชั่วโมงแก้ไม่ตกเชียนจดหมายไปถามหลวงตา ม, มหาบัวท่านก็ตอบมาให้อ่านหนังสือเราเองนะส่งหนังสือมาให้ท่านเพิ่งไปผ่าตามาเขาียนหนังสือยาวๆไม่ได้อ่านดูก็เหมือนที่หลวงพ่อพุธบอก ว, ว่าการปฏิบัติพอถึงขั้นละเอียดเหลือแต่ยิบยับยิบยับเฮ้เราเรามันทุกข์อะทำไงดี ตอนนั้นเป็นเดือนนะทั้งวันทั้งคืนเห็นทั้งเดือนเป็นเดือนเลยไม่หายตอนไปรอรถเมย์ไปทำงานยืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์โอ้เหนื่อยเหลือเกิ น, นเดินปัญญายิบยับยิบยบเราไม่ได้ทำสมถะมานานแล้วทำสหน่อยดีกว่า ใ, ใจเข้าพูดออกโทนับหนึ่ง ใ, ใจเข้าพูดออกโทนับสอง นับไปถึงย8ดครั้งพอดีนะจิตรวมปุ๊บลงไปเลยโลกระธาดับเนะื้จจิตดวงเดียวนะพอถอยออกมามีกายให้มาเห็นตัวนี้ทำงานนะแต่จิตเนี้ยเบิกบานมีความรู้สึกเหมือนเป็นลองวิ๊กเอ็นจะรู้สึกอย่างนั้นเลยแล้วก็ดูต่อไปดีภาวนาใช้ได้ ทำนมัสการค่ะหลวงพ่อเมื่อสองปีที่แล้วหลวงพ่อเมตตาชี้สภาวะให้ว่าจิตที่มันไหลไปเป็นยังไงอะค่ะแล้วก็หลวงพ่อบอกว่ามันไม่มีสมาธิแล้วก็ให้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวให้บ่อยขึ้นเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองก็รู้เนื้อรู้ตัวบ่อยขึ้นแลคะคือระหว่างวันก็ดูกายดูใจทํางานได้บ่อยขึ้นจากที่ไม่เคยมีวิหารธรรมอะค่ะตอนนี้ก็จิตก็ คุณเคยที่จะบริกรรมค่ะแล้วก็ดูลมหายใจก็เวลาที่หลงไปก็จะตอนนี้แหละหลงดูเอาไหมไหลปึ๊บไปพูดพูดมาก็รู้สึกอย่างดีนะไหลบึ๊บไปเลยอ้าววาไปค่ะเวลาที่หลงไปก็จิตก็จะกลับมาที่คาบริกรรมดีแล้วเไม่ดึงจิตนะะแต่กลับมาบริกรรมเฉยๆไม่ดึงจิตกลับมาจิตตัวที่หลงไปโยนทิ้งไปเลย ก็ดูกายดูใจทำงานไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะก็บางทีก็ก็มีความเข้าใจขึ้นมาค่ะว่าจิตเขาทำงานของเขาเองเขาพุ่งแต่งของเขาเองคะตรงนั้นยังคิดอยู่นะมันยังไม่ได้เข้าใจด้วยจิตดีหนูเจริญขึ้นเนยอะแล้วเก่งไปฝึกอีกไปเนี่ยหลวงพ่อนะเป็นไซนัสหายใจยากหมอให้ยามา พอฉัญยาไปเนี่ยนั่งเทศเนี่ยจะหลับเลยตั้งแต่เมื่อวานะ่ะเลยเปลี่ยนมาฉันยาตอนเที่ยงตอนเพลิะนะเนะช้าเนี้ยก็เลยหายใจไม่ออกดูสิธาตุขันนะ <laughs> ขอให้ใจก่อนน่อยครูบาอาจารย์หายใจไม่ออกหัวเลาะ หน้าตีหน้าฟ้มามากราบบรรณาการครับท่านอาจารย์ครับผมเพิ่งมาวัดนะครับแล้วก็ยังปฏิบัติได้ไม่ลึกซึ้งนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามาอยู่วัดก็ฟุ้งซ่านเหมือนเดิมฮนะก็ยังต้องฝึกอีกเยอะนะครับแต่ว่าก็จะพยายามครับจิตมันไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะจิตมันเริ่มตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูได้แล้วล่ะแต่ก่อนเนี้จิตมันจมอยู่กับอารมณ์คลุกอยู่กับอารมณ์ดออกไหม อันนี้มันถอนขึ้นมาเป็นคนดูได้แล้วยัง ร, รู้สึกไม่เยอะมากนะครับเออฝึกไปเรื่อยๆอีกหนอยก็เยอยเองอ่ะครับขอบพระคุณครับหลวงพ่อนะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะเป็นคนที่ชอบศึกษามากกนวะ่าคนกวาจิตมันถอนตัวมาเป็นผู้รู้อ่ะ้ทําไงมันจะเข้าไปรวมกับอารมณ์มะนะพยายามเค้นมันรวมเข้าไปรวมเข้าไปนะมันไม่ยอมนะมนเข้าไปใกล้มันดีดพังออกมาเลย เข้าไมา้ได้อะอยู่ที่เราฝึกเอาต่อไปถึงยึบแกล้งเผลออะไรอย่างเงี้ยจิตยังไม่ไหลเข้าไปเลยฝึกเอานี่ยังติดบังคับจิตให้นิ่งอยู่ยังเพ่งเนี่ยจิตแล้วเป็นอย่างเนี้ยดูออกข่างบผมเออเลิกซะปล่อยให้มันทำงานครับผม ก, ก็เพิ่งเริ่มฝึกปฏิบัตินะฮะจัง ก, ก็ยังรู้สึกว่ า, ย, ายังติด อย่างที่หลวงพ่อว่าคือยังเพ่งอยู่เยอะครับจไม่ไม่เป็นงนั้นทุกคนคนะแล้วก็ค่อยรู้ทันเราค่อยคลายออกคใครจำเป็นจะต้องถามไปถามผู้ช่วยสอนได้ไหมอ้าสองคนนั้น <S <S ดีใจรู้ไหม ใจกะหลวงพ่อนี่ครั้งที่สองนะมาถวายตัวเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันดีของพระหลวงพ่อค่ะนี่มาถามว่าที่ปฏิบัตินี้ยห้หลวงย่อใหม่อย่างงี้ย่อใหม่ให้หลวงพ่อตรวจดูว่าดีขึ้นแล้วหรือยังค่ะดีขึ้นตั้งเยอะแล้วรู้สึกตัวไหมเห็นไหมความเปลี่ยนแปลงของตัวเองทราบค่ะนั่นแหละใจมันตื่นใจมันเบิกบานนะช่วงนี้เป็นช่วงเขาเรียกช่วงหันนิมูล อย่างคนไร่ไม่ค่อยรู้สึกตัวนะพอรู้สึกตัวเป็นไม่มีความสุขเยอะ <c oughs> ต่อไปมีสติไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ความสุขจะหายไปนรจะเห็นในโลกนี้ทั้งโลกมีแต่ความทุกข์นะดงั <c oughs> ้นไม่ต้องตกใจนะถ้า <c oughs> ความสุขมันหาย <c oughs> ช่วยนี็กๆเ็กช่วงอันนี่มูล <c oughs> เป็นทุกคนแหละปฏิบัติกว่าจะากร่ากายสังขารเนะหลวงพ่อกอ็อายุเยอะแล้วฮะ <c oughs> ไม่เป็นไรอายุมากอายุน้อยไม่สำคัญนะ เกิดจะตายนะะนึกถึงหลวงพ่อไว้ะเออราตั้งใจอธิษฐานยังไงก็ได้ขอให้ได้มาฟังเทศอีกแต่ว่าดีเปิดทั้งวันทั้งคืนเลยหลวงพ่อเออนั่นแหละอยู่กับหลวงพ่ออยู่แล้วเหมือนอยู่ใกล้หลวงพ่ออ่ะใช่ถึงแล้วนั่นแหละสุดเราเกิดไม่จบนะเะาจเป็นเทวดาเรามาฟังเทศเระแล้วให้ ขอการบ้านด้วยค่ะหลวงพ่อมีอะไรเดี๋ยวตรงไหนค่ะทํำไปเถอะเดี๋ยวก็จะทุกข์เองแหละก็ดีจะได้สึกอย่ากลัวทุกข์นะไม่กลัวค่ะโอ้ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทําหรอกกลางกช่วงนี้จิตมันมีสมาธิขึ้นมามีความสุขกลาตอนที่มันเดินปัญญาเนี่ยมันจะเห็นทุกข์กลานะกราบน้ำสักการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูมาส่งการบ้านเป็นครั้งแรกนะคะก็เพิ่งมาวัดเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะ ก็อยากจะขอคําชีแนะจากหลวงพ่อเจ้าค่ะคือหนูไม่แน่ใจว่าที่ปฏิบัติมาตอนนี้ถูกแล้วค่ะแต่ยังเพ่งอยู่ใช่เจ้าค่ะมันมาถูกทางแล้วล่ะใจมันเริ่มตื่นแล้วแต่เรายังประครับประคองควบคุมมันมากไปหน่อยไมย่ๆเป็นทุกคนแหละค่อยๆฝึกไปแล้วเราก็เห็นว่าเราบังคับใจอยู่ต่อไปมันค่อยๆ ค, คลายเป็นธรรมชาติ เป็นอย่างนี้ถูกต้องแล้วขอบพระคุณเจ้าค่ะนี่อยู่ข้างหน้ากล่าวน้ัตรสการหลวงพ่อค่ะโยมส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะโยมใช้กายเป็นวิหารลาธรรมาค่ะากายเคลื่อนไหวใชเป็นคนดูก็เริ่มจะรู้สึกว่าตัวเองมีสติตืต่นขึ้นมาบ้างค่ะแล้วระหว่างวันพอเผยก็พอรู้ทันบ้างค่ะขอคำชี้แนะด้วยค่ะ ไปฝึกต่อนะมันยังมีบังคับตัวเองอยู่ยังขณะนี้ยังบังคับตัวเองอยู่รู้สึกไหมทันทีที่เราบังคับตัวเองนะมันจะแน่นๆ่นอึดอาดมีน้ำหนักเกิดขึ้นในใจนะเรารู้ทันแล้วก็ค่อยๆ ค, คลายทาใจสบายๆรู้ไปนะที่จริงถ้ารู้เบื้องหลังของความแน่นมันจะหายรวดเร็วเลย เบื้องหลังคืออยากดีถ้าเราเห็นใจที่อยากเลยความอยากดับปุ๊บไอ้การเพ่งก็ดับเลยส่วนความแน่นเนะี่ยจะแน่นค้างไปอีกนิดหนึ่งแล้วค่อยหายตัวแน่นเป็นตัววิบากตัวเพ่งเป็นตัวกระทำกรรมส่วนอยากดีเป็นกิเลสมีกิเลสก็ทำกรรมเกิดวิบากงั้นตอนนี้ยังมีวิบากยังแน่นๆอยู่ดูอไหมที่ตรงเนี้ย ยังไม่ค่อยเห็นค่ะหลวงพอ่อใจมันยังไม่เป็นธรรมชาติทีเดียวนะนยังมีการควบคุมจิตใจตนเองอยู่หลวงพ่อบอกอย่างเนี้ยเอาไปดูเอานะไปค่อยๆสังเกตมันบังคับยังไงมีวิธีดูง่ายๆนะถ้าใจมันมีน้ำหนักมันแน่นๆขึ้นมาเนี่ยสแสดงว่ามีการบังคับนี่บางคนดูใจที่แน่นไม่เป็น ที่ดูใจที่แน่ไม่เป็นเพราะตอนก่อนหน้านี้เป็นฝึกกรรมฐานชนิดที่กำหนดมากำหนดจนมันแน่นจนชินเลยก็เลยไม่รู้ว่าแน่นอยู่แต่คนถ้าไม่เคยฝึกเนียมันจะฝึกง่ายกว่าพวกที่เคยฝึกมาแล้วนคนที่ไม่เคยฝึกเหมือนผ้าขาวอะไรเปื้อนนิดนึ่งก็เห็นในขณะที่พวกเคยฝึกกรรมฐานมานี้เหมือนผ้าสียเฉพาสีเข้มๆหน่อยถ้าฝึกมากฝึกเข้มมา ใจก็เป็นผ้าสีเข้มๆอะไรปนลเปลื้อนเข้ามาก็ดูยากหน่อยงั้นจะเสียเปรียบพวกที่ไม่เคยฝึกเนี่ยเคยฝึกทางกายมาเนี่ยนะรับวิบากไปก่อนกา บ, บนภัษกรารครับหลวงพ่อผมมีปัญหาจะมาําหลวงพ่อสองเรื่องครับเรื่องแรกคือปกติผมเนี่ย จะเป็นคนที่จิตเนี่ยมันจะตื่นก่อนแล้วก็นอนที่หลังร่างกายถูกแล้วลนะ่ะแต่ว่าเมื่อไม่นานมาเนี้ยมันมีสภาวะที่แปลกมากคือร่างกายมันตื่นแต่มันเหมือนมันมีเงาอะไรมันมากระโดดใส่มผมไม่แน่ใจว่ามันคือจิตหรือผมคิดไปเองอย่าไปสนใจไม่สำคัญตรงนั้นนิมิตหมายใดๆเกิดขึ้นก็แค่รู้แค่เห็น จิตเราเกิดความสงสัยว่ามันคืออะไรรู้ว่าสงสัยรู้เข้ามาตรงนี้เลยเนั่นสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่ได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอะไรเนี้ยเป็นนิมิตทั้งหมดเลยนะงั้นจุดสาคัญคือจิตไม่ใช่คือตัวนิมิตหรอกงั้นเราเห็นมีเงาดำๆวิ่งเข้ามาอะไรเนี้ยไม่ต้องสงสัยมันคืออะไรอะไรเงี้ยอันนี้มันจะหลอกเราให้เราคิดมากขึ้นนะให้รู้ทันเลยว่าจิตสงสัยถ้ารู้ทันว่าจิตสงสัยนะ ความปรุงแต่งนั่นก็ดับไปนะตัดตรงเข้ามาที่จิตเลยของโยมทำไดนะ้จิตของโยมดีอยู่มีพลังส่วนคำถามข้อที่สองนะครับปกติเนี่ยผมนั่งภาวนามาปีนี้เป็นปีที่1ิบสองนะครับแต่ที่ผ่านมาก็ใช้แบบอา ร, รมนูเพิ่งมารู้วิธีแบบนักหนูมาจากหลวงพ่ อ, อมเมื่อสองปีปกว่ามานี้ก็ทดลองใช้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนสองเดือนนี้คือง่วงมากนั่งแล้วก็หลับดีนั่งแล้วก็หลับดีบ ด, ดีเวลาที่เราทําลักขณูไปเนี่ยนะแล้วเราบางทีเราทิ้งอรารมณนะูแล้วจิตเนี่ยมันเดินตัญญาไปแล้วมันต้องการพักหรือบางทีมันเดินตัญญาไปแล้วมันเกิดนิพพิทนาะจิตมันจะหลบด้วยการหลับให้ดูงั้นะไม่ต้องตกใจทําไป หรางพ่อเคยเป็นตัวเนี้ยคือผมแก้โดยลุกขึ้นมาเดินบ้างเดินก็เดินยังหลับชนโต้ ช, ชนเก้าอี้ใช่ใช่เหมถูกใจมากมีเพื่อนแล้วเ <laughs> <laughs> มื่อปีสองหกสองพันห้ารอยยี่สิบหกปีนี้หกสองไล่เรียกกันหลวาพ่อภาวนานะแล้วก็หลับซึ่งเป็นเรื่อง ทำให้เราตกใจนา่งเลยเรานั่งสมาธิมาตั้งแต่เด็กไม่เห็นจะหลับเลยตอนนี้หลับนั่งเปลี่ยนนะทปรขัดขัดสมาธิเพชรึงเจ็บมากเลยก็หลับลุกขึ้นเดินจงกรมนละเดินหลับชนฝาเลยนะนะทำไงก็หลับทําไงก็หลับพอดีขึ้นไปกราบหลวงปู่สินที่ถา้าผาปล o n เมื่อวันที่ห้าสิงหาปีสองหก ไปถึงก็ไปกราบเรียนท่านว่าหลวงปู่ผมภาวนาช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วมันหลับตลอดเลยหลวงปู่ตอบง่ายๆนะแต่ฟังยากบอกผู้รู้ผู้รู้จะสงสัยอะไรปฏิบัติเถอะแล้วจะได้ของดีในพรรษานี้แหละท่านบอกอย่นะี้พอครูบาอาจารย์บอกว่าไม่ให้สงสัยหลวงพ่อก็ไม่สงสัยหลับก็หลับสิวะนะออทำไป ส่วนจะได้หรือเปล่าไม่รู้ต้องไปถามหลวงปู่สิมนี่อาการเดียวกันเลยเดินน้วเดินชนฝาเลยเดินหลับของโยมพื้นสมาธิมันเยอะอยู่แล้วพอมาเดินต่อเขานี่มันเลยเดินร่องเดียวกับที่หลวงพ่อเดินเลย จิตมาอยู่ที่ใหม่ก็รู้นะช่วงนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆ เ, เจ้าค่ะแล้วก็เลยไม่แน่ใจค่ะคือก่อนหน้านี้หลวงพ่อบอกว่าจะไปโล่งๆว่างๆอยู่ข้างนอกค่ะเห็นไหมเริ่มเริ่มเห็นบ้างเจ้าค่ะเออไปอยู่ตรงนั้นนะไม่มีประโยชน์แล้วก็เพ่ง เพ่งอย่างเพ่งอยู่เ อ, อถูกต้องแต่ว่าพยายามฝึกนั่งสมาธิอะค่ะแต่ว่าคือไม่เคยนั่งสมาธิได้แต่งงว่าทําไมหลวงพ่อบอกว่าเพง่งปกติคนออที่เพ่งได้มันต้องสมาธิดีปะ่ะคะไม่จําเป็นอ่ะเคยเห็นแมวจะจับนกไหมเห็นค่ะมันก็จ้องแมวไม่ได้ฝึกกรรมาฐานสักหน่อยก็ <laughs> <c oughs> คือแสดงว่าสมาธิยังไม่พอใช่ไหมเจ้าคะสมาธิยังไม่ถูกสิค่ ะ, ะแล้วจะฝึกสมาธิให้ถูกนี่คือตอนนี้ที่ฝึกก็คือพยายามคือนั่งสมาธิเฉยๆไม่ได้ค่ะหลับแต่ไม่ไม่ใช่หลับแบบคนเมื่อต์กีนะคะอันนี้เขาดีอันนี้หลับคือหลับจริงๆค่ะและ้วคือ <laughs> คือพยายามใช้วิธีนึกถึงพระอาจารย์แต่และรูปที่เรา <laughs> คิดแล้วก็ คำสอนของท่านแต่ก็นับเรียงไปตามลําดับอะค่ะแล้วก็จะรู้ว่ามันหลงไปเป็นพรักๆค่ะคิดอย่างนั้นมันข้อมูลเยอะเกินนะคิดพิจารณาอยู่ในร่างกายตัวเองดีกว่าดีกว่าคิดถึงอาจารย์ส่วงพ่อมีครูบาอาจารย์สาสิบกว่าองค์เนี้ยมีนึกถึงที่ละองค์นะหมดเวลาแนละ้วฟุ้งซ่านหนับกับเก่าอีกนะแล้วคิดพิจารณาอยู่ในร่างกายเราเนี้ย ผมรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้มันไม่สวยไม่งามยังไงเป็นเส้นยาวๆตรงกลางกลวงเคยมองเห็นไห ม, ไมเส้นผมเนี่ยตรงกลางมันกลวงนะมีต่อมน้ํามันอยู่ตรงโคนมันเนี่ยพิจารณาลงไปเป็นของไม่เที่ยงไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หลุดก็ร่วง เป็นของน่ารังเกียจอยเนี้ยพิจนาคนคว้าอย่างเงี้ยไม่จะกระตุ้นให้ใจไม่หลับคือท่องเครเคท่องแบบผมขนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กินอ่ะไม่ได้เนี่ยเหมือนท้องอาขยานค่ะพีจนาลงไปเลยผมมีรูปร่างยังไงมีสียังไงมีกลิ่นยังไงนะไม่สวยไม่งามยังไงไม่เที่ยงยังไงอะไรนี้บังคับไม่ได้ยังไงดูไปอย่างเนี้ย ดูเป็นส่วนส่วนไปผมกดเล็บฟันหนังเนี้ยไล่ๆล่ไปเล่ น, นะถ้าใจมันได้มีงานทำมันจะไม่หลับคือคือพิจารณาทีละอย่างใช่ทีละอย่างจนกว่ามันจะเบื่อแล้วก็ค่อยไปเล็บไปอะไรอย่างนี้ต่ อ, อใช่ไหมจ้าขอบพระคุณจ้าเคยนึกออกไหมผมเราข้างในมันกลวงกลวงรู้ไหมนะ ไปหาแว่นมาส่องเลยแว่นสองนมาตรการหลวงพ่อค่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเออว่าไปปฏิบัติตอนเนื่องประมาณสิบเดือนค่ะแล้วก็เข้าคอร์สมาสองครั้งกับสีวันกับเจ็ดวันค่ะเดียวมีความรู้สึกว่ามันแยกคาดแยกขันได้แล้วอะค่ะก็ถูกแล้วก็มีใจไวๆแล้วก็มันมีทุกตรงกลางอกอะค่ะเออแล้วก็ปฏิบัติตอนเนื่อง คือไม่หยุดปฏิบัติไม่ได้อ่ะค่ะหลงพอเออก็ต้องหยุดบ้างนะในการทำสมถะไหว้พระสวดมนต์อะไรเนี้ยทำเป็นระยะระยะค่ะไม่จำเป็นว่าต้องไปสวดตอนก่อนนอนหรอกนะทั้งวันเนี่ยสมมติเราทำสมาธิอย่างอื่นไม่เป็นเนะีทุกทุกชั่วโมงนะหาเวลาสวดสักห้านาะทีอะไรเงี้ยใจก็จะได้กำลังนะค่ะใจฟุ้งไปหน่อยเดียวแหละขันแยกแต่แยกแบบเออระเหยดูออกเปล่าค่ะ น, นะสาธุคะ่ะสมาธิไม่พอนะของหนูใจมันยังเบิกบานมีความสุขเพลินๆไปนักมัธการหลวงพ่อคะ่ะควันนี้เป็นครั้งแรกคะ่ะที่มาวาดัดค่ะ ก็ปฏิบัติโดยการ่าสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิค่ะอืแต่รู้สึกว่ามันตามโมโมะแล้วสติมันไม่อยู่ค่ะอืไม่ต้องไปฝืนมันนะค่ะสวดมนต์ไปเรื่อยๆคิดถึงพระไปเรื่อยๆค่ะนะแล้วมันมีจิตไหลเห็นนิมิตค่ะหลวงพ่ออ อ, อย่ า, <ม>าตลสนใจยอย่าสนใจนิมิตนะค่ะให้ย้อนมารู้ทันว่าจิตเราไหลค่ะ หรือมีนิมิตเกิดขึ้นจิตมันเกิดสงสัยว่าคืออะไรรู้ว่าสงสัยย้อนมาที่จิตไม่เอานิมิตแล้วมันมีอาการเหมือนเหมือนหูแว่วค่ะหลวงพ่อเลอปรึกษาจิตแพทย์ชนะไปค่ะไปค่ะหลวงพ่อถ้าลงระดับหูแว่วเนี่ยควรจะปรึกษาหมอใช่ค่ะแล้วหมอว่าไงหมอ หนูไม่ได้ปรึกษาหมอเดิมเพราะว่าหมอเดิมก็เลิกไปแล้วหนูไปมหาหมอใหม่แต่หนูเอายาเดิมไปให้หมอคุณหมอท่านใหม่ท่านดูค่ะออแล้วท่านก็จ่ายยามาให้แล้วท่านก็จะนัดอีกเดือนหน้าเนี่ยค่ะหนูก็กินยาตลอดค่ะแล้วอะไรกินยาไว้ค่ะนะส่วนใจเราเรารักษาเองนะค่ะรักษาไปทำใจสบายๆรู้เนือ้อรู้ตัวไปเรื่อยทีกินยาแล้วมันเบลอๆอะไรนี่เรื่องปกติค่ะนะ หนจะเห็นจิตอากุศลบ่อยมากเดี๋ยวลงไปคิดเล้๋ยวมีคำพูดออกไปหนูดีนะอย่างนั้นน่ะดีนะไม่ใช่ไม่ดีฝึกเรื่อยๆทางร่างกายเราก็ให้หมอรักษาไปมันมีมโนกรรมไม่ดีกับหลวงพ่อด้วยหนูพอไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้เจตนาขอปพระคุณขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อค่ะหมดแล้วล่ะเชิญกลับบ้าน ตรงโรงหลวงพ่อควรจะฉันยาก่อนเทศรอบสองหรือเทศรอบสองแล้วค่อยไปฉันยาถ้าฉันยาก่อนนะหายใจโล่งแต่หลับถ้าฉันที่หลังหายใจไม่ออกนี่ไม่ต้องไปติดครูเก่าหรอกนะบอกว่าไม่ต้องตกตกใจว่าอาจารย์เราไม่อยู่ช่วยตัวเอง ไม่มีใครช่วยเราได้เรานะลืมที่เขาสอนซะการเรียนกรรมฐานนต้องเรียนแล้วประกอบด้วยสติสัมปชัญญะมากๆนะไม่ใช่ไปนั่งแล้วก็รับพลังมีความสุขขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนะอย่างนั้นมันโดนครอบนะอะเชิญ